สิ่งที่สุดที่ทุกคนจะได้คืออะไรก็คือมรรคผลนิพพานมรรคต้องใช้สติผลต้องใช้สมาธินิพพานต้องใช้ปัญญาเรื่องเราไม่ได้ว่ามรรคผลนิพพานแต่ว่าเหตุของมันเหตุที่ได้มรรคผลนิพพานก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นเองถ้าเราปรารถนามรรคผลนิพพานแต่ว่าไม่เจริญสติสมาธิปัญญาเป็นไปไม่ได้ปรารถนาจะไปต่าง จังหวัดไม่มีรถไปไม่ได้รถก็เหมือนสติสมาธิปัญญามรนคผลิพากษ์เป็นเป้าหมายที่เราไปเส้นทางที่เราไปวิธีการที่เราไปนั้นก็ให้เรารู้เป้าหมายชีวิตล่ะให้แน่นอนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอยู่วัดเพื่ออะไรบวชเพื่ออะไร เพื่อเจริญสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อสนุกสนานในการอยู่การกินการเล่นการก่อการสร้างมางแปลงอะไรมากมายแต่เ็าอาศัยกิจกรรมประจำวันอย่างนี้อาศัยพัฒนาปัจจัยสี่เพื่อดำรงอยู่ได้พัฒนาเรื่องที่ อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินเรื่องผ้าปอ น, อนสบายเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตดูแลไปอย่างนี้มรรคผลนิพพานค่อเติบโตไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าที่อยู่ไม่ดีที่กินไม่ดีที่อาศัยไม่ดีสุขภาพไม่ดีก็นรกคผลนิพพานที่ทําอยู่ก็ยิ่งยากนะเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะ สุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีแต่ไปคนสุขภาพจิตจะเสียเยอะเพราะว่ามันคนจิตอ่อนพวกต่อไปพวกออทิสติกพวกเพี้ยนพวกจิตไม่สมบูรณ์พวกสมาธิสั้นจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพวกนี้ก็ไปมานนิพานยากแหละพวกเจ็บป่วยด้วยโรคไครไข้เจ็บต่างๆก็ไปยากเวทยนามแรง เพาคุณภาพมนุษย์ตกต่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่จะทําสติปัญญาให้สมบูรณ์ได้เพราะว่ามันอ่อนเหมือนกับเราเอาเหล็กอ่อนๆหรือเอาไม้เนี่ยมาทําเป็นมีดมันยากเหล็กไม่ดีมาทําเป็นมีดเอาอลูมิเนียมมาทําเป็นมีดเอาไม้เหลามาทําเป็นมีดอะไร มันก็ตัดอะไรไม่ขาดถูกตัดแ ข, แข็งก็ไม่ขาดแล้วดังนั้นให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเรามาีชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละเวลาเพื่ออะไรเพื่อเจริญสติสมาธิปัญญาให้สมบูรณ์เรื่อยๆการกระทำอันไหนคพูดอันไหนการคิดอันไหนที่ไม่ก่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาก็ อ, อย่าไปเสียเวลาทำมันมาก ก็เป็นเรื่องไร้สาระไม่เกิดสติสมริิปัญญาจะว่าไม่ทำเลยก็ไม่ได้แต่อย่าทำมากไม่ททำบ่อยทำเท่าที่จำเป็นเงนี้ยมันก็มีอยู่เรื่องไร้สาระบางเรื่องมก็ทิ้งไม่ได้เช่นถุตงตามเพื่อนไปกินไปเล่นไปเที่ยวถุงตามเพื่อนเพนไปสนุกสนานอไรเนี่ยวิชน คนชวนคุยในเรื่องไรสาระเราก็จะไปต้องคุยด้วยไม่คุยก็ไม่ได้ราอยู่กับโลกเขาแต่เราให้น้อยเท่าที่จาเป็นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรามีสติสมรู้ปัญญาแล้วบางทีเราอาจจะทำกับเขาแต่ว่าเราทำอีกแบบนทำที่จะให้เกิดสติเสมอแม้เรื่องนั้นเป็นเรื่องไรสาระเราอาจจะทำให้เกิดสาระก็ได้ ถ้าเรามีปัญญาแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเรามีปัญญาจะทำเรื่องไร้สาระเกิดสาระได้ก็อย่าเสี่ยงทำอันนี้ก็จะต้องมีการพิจารณาใคร่ครวนไตรตรองเสียก่อนว่า เ, เรื่องแบบนี้มันไร้สาระนะแต่เราจะทำให้เป็นสาระได้ยังไงมองหาสาระของมันมันก็ดีเหมือนกับเรานั่งคุยกับเพื่อน ถ้าหากว่าชวนเพื่อนคุยด้วยเราก็เอ อ, อหอมหมกไปกับเพื่อนด้วยมันก็เป็นเรื่องไร้สาระถ้าเรื่องไี้มันไม่มีสาระแต่เพื่อนเล่าเรื่องให้เราฟังในเรื่องไร้สาระนินทาเพื่อนบ้านเราก็ไม่ว่าเพื่อนแต่เราพยายามชวนเพื่อนพูดในสิ่งที่เป็นสาระชวนเพื่อนแต่เราก็ไม่ว่าใครจะนิน เขาจริงทาใครก็ไม่ไปเบรกเขาหล้วแต่ว่าเราก็ถามซะเรื่องอื่นซะชวนพูดเปเรื่องอื่นที่มีสาระมากกว่าซะ เ, ออเรื่องนั้นเป็นยังไงนะคุณจำได้ไหมผมจำไม่ได้ผมจำช่วยบอกหน่อยสิก็หาเรื่องใหม่มาพูดแทนซะนี่เรียกว่า ช, ชวนเพื่อนชวนไป เพื่อนชวนไปในสิ่งที่ไร้สาระแต่เราพยายามชวนเพื่อนไปในสิ่งที่มีสาระนีเราใช้ปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นบางทีบางสถานการณ์ถ้าเรามีปัญญาจริงๆเนี่ยมันก็ทำสิ่งเหล่านี้ได้นะแต่ว่าเราจะไปถึงสถานการณ์อย่างนั้นเราจะตั้งสติได้ทันไหมส่วนใหญ่มันก็ไปตามความไปตามเรื่องตามเหตุการณ์เราตั้งสติไม่ได้ แต่พอเราตั้งสติได้เราก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนบางทีเขาชอบพูดเรื่องนู้นแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆชอบฟังถ้าเขาหยุดพูดก็ก็ถามให้เขาพูดอีกอยู่งั้นน่ะมันถ้าจะหยุดก็ถามใหม่มันพูดใหม่เดี๋ยวมันก็เบื่อเองแต่เราจะเป็นนักฟังอืฟังไปฟังมาเพื่อนมันก็ขี้เกียจพูดเองระหว่างนักผู้ฟังกับผู้พูดเนี่ใครลำบากกว่ากำนันดา ใครเหนื่อยกว่าแล้วบอกคนพูดหรือคนฟังนะใครเหนื่อยกว่าใครคนพูดเหนื่อยกว่าคนฟังไปสบายกว่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราฟังไม่เป็นเราก็เหนื่อยเหมือนแหละเมื่อไหร่เราจะพูดจบสักทีว่าครูขี่เกียรติควาเดิมทีแล้วนี่คือเรื่องขอฟังไม่เป็น ใครมาพูดอะไรท่านบอพ่อชอบฟังบางทีมันทำได้จะหยุดก็ถามให้มันพูดต่ออนะไรอธิบายต่อเราก็ได้ปัญญาเรื่อยๆเอาหมดเรื่องแล้วเออเด้อจบเอาไปขี้เกียจ <c oughs> ไปต่ออันต่อยากอวกว่มันพเราก็ถ้าฟังเป็นแล้วสบายกว่าแต่ถ้าฟังไม่เป็นเนี่ยเราบางทีเราทุกข์กว่ามันพูดอีกนะ เกิดความหงุดหงิดติดอารมณ์เบื่อเซิงโกรธโมโหอะไรแต่แต่ถ้าเราฟังเป็นเราก็ได้ปัญญาสูสูสังแลพเทปัญญ์ฟังด้วยดีก็ได้ปัญญาสูสูทุสูสังแลพเทปัญหาฟังไม่ดีก็เกิดปัญหาเนีเพราะฉะนั้นก็ย่ขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทําอะไรก็ตามพิจารณาว่า มันมีสาระจะทำให้เกิดสตีปัญญาบ้างไว้เนี่ยเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีก็อย่าไปเสียเวลาพูดถึงมันออกมาก็ตั้งสติก่อนนะใครจะพูดแล้วก็ตั้งสติก่อนเมื่อไงถ้าไป่ตั้งสติก่อนเนี่ยเราไหลาตามเขาหรือเหมือไงก็เราก็ชวนเขาเขาก็ชวนเราไปได้เรื่อยๆเราก็เ อ, อ, เ อ, อหอหมอกไปพอเผื่อพอเรากระหลบฉากไป้ทัอื่นซะ เพราะฉะนั้นคนมันไม่ได้สติแล้วมันน่าสงสารจริงๆน่าสงสารแต่เราจะไปบอกเขาก็ได้เพราะเขาไม่ได้ฝึกเพราะฉะนั้นมาทุ่บอกว่าเออชวนคนฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยได้บุญมากเพราะอะไรเพราะเขาจะหายความเป็นพู้น่าสงสารได้เขาจะรู้สึกรู้สารู้เนือรู้ตัวแล้ว เ, เขาจะไม่ทุกข์มันจะไม่กลายเป็นคน เล็เ h อะเพื่อเจออะไรไปกลายเป็นคนมีเหตุมีผลมีรู้จักกาลเทศะรู้จกักประหยัดมัธยัติตนเองได้มันก็ตั้งสติให้ดีโดยเฉพาะเจอกับคนไม่ว่าใครแล้วถ้าเจอกับคนล้วตั้งเตรียมตั้งสติแล้วว่าเราจะเสวลาลวเขาไม่เราจอ เรื่องสายละสาระกับเขาไหมหรือว่าเข้าใจอะไรให้ดีๆกับเราแล้วก็เตรียมใจฟังเขาเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีแล้วมันมีแต่ได้กับได้มาว่านะแต่ถ้าไม่ตั้งสติแล้วมันมีแต่เสียกับเสียเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าให้ฝึกให้ฝึกรู้สึกตัวไปทุกเรื่องทุกราวแหละแต่เราก็ไม่ได้ตัดสินนะนะว่าเขาดีหรือไม่ดีนะแต่เราก็เราจะเลือกเอาอะเพราะคนแต่ละคนมันก็มีทั้งสองอย่าง มีทั้งของดีและไม่ดีเกาอยู่ที่เราเราจะเลือกเอาอืมถ้าเลือกเอาของที่ดีเขาก็มีเลือกของไม่ดีเขาก็มีแต่ถ้าเราเลือกไม่เป็นแล้วบางทีเราอาจจะเอามันทั้งสองอย่างหรือเอาแต่อย่างเดียวแตสิ่งที่ไม่ดีมาแต่คนที่เลือกเอาส่วนที่ดีก็ถือว่ามีสติและวในไม่ว่าในกลุ่ม คนรู้จักกันไม่รู้จักกันญาติี่น้องหรือมิตรสหายอะไรก็ตามเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาเดิมมีสาระจะเขาได้เพราะ น, นั้นก็ในวันพรุ่งนี้นะตั้งแต่เช้าเป็นต้นไปนวิจะทําวัดเช้าก่อนจะ้ปเข้าเก็บอารุางมอทำวัดเช้าก็ได้นะไปเช่าจ ม, มให้ ท่านรักหลวงพ่อสมรักกับท่านอารักชื่อรักเหินกันนะสมรักกับสมรักสมรักนนเนาะไอ้พูดนิวันพระหรือว า, ล า, ลาลนลื่ น, นวันพระวันลื่นเนาะอ๋อพูดในวันโกนแต่วันพระตรงลงมาฉันข้ารวมงกนันนะจักบาทลงกันไอ้ไม่รู้วันพระนิยมจะมาก็าคนจะมา นักอยู่มาวัดบ้างก็พวกเราอยู่ที่วัดตอนเช้าก็น่าจะใส่บาตรเนะาะพรก็จะบิณฑบาตตอนต่อไปก็จะมีธรรมเนียมใส่บาตรบ้างเช้าวันพระเข้าพรรษาออกพรรษาก็ลงทำกันดูก็ได้เช้าบิณฑบาตบนวัดใครจะมาวัดก็บิณฑบาต บางอย่างธรรมเนียมบางอย่างก็เราก็กาหนดทากันขึ้นมาเพื่อเป็นการชักจูงคนที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธานี่ก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำให้เกิดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดบุศสให้เกิดปัญญาอพอมีโอกาสได้ประบทำให้ฟังมีระกาสได้ฟังสวดมีโอกาสได้พบปะกัน ก็เลือกกิจกรรมไปกุศลก็ดูก่อนถามชาวบ้านเขาพอจะขึ้นมาร่วมกันแน่นอนด้วยอุดกับยายรวยนี่มาได้เนาะใส่บาทปีนี้ยุงพ่อจะให้สองคนนี้สร้างสวนผลไม้ข้างล่างทำเขื่อนให้แล้วน้าแล้วก็วันนี้ก็วันนี้วันพุน่งนี่ก็คงจะทำคลองขุดรอบคลองเก็บน้ำไว้เยอะๆเลยจะซื้อ ไอ้เดวโอให้ตัวนไม่ปลูกผักขายแกไม่ต้องไปทำเงินหนักแล้วต่อไปปลูกผักปลูกยาปลูกต้นไม้เวลาปลูกต้นไม้ออกดอกออกผลมาเอามาขายให้วัดหลวงพ่อรับซื้อหมดเลย <c oughs> ใ, หให้น้ำใช้น้ำไฟให้ฟรีแถวมาปลูกขายให้วัดหลวงพ่อก็จะมาขายนักปฏิบัติทำ <c oughs> แต่เราทำให้ได้ผลนะปุ๋ยหาอะไรให้พวกเราก็แค่ดูแลปลูกผัก ขายขายได้ก็เป็นเงินพื้นของเราไม่ต้องให้วัดแต่เป็นน้ำเป็นไฟให้แต่มาขายให้วัดบางทีก็จะให้มันโอ้ดินมันดีมากเลยเนาะแต่ว่าห้ามใช้ปุ๋ยเคมีท่านเนี่ยปุ๋ยคอก ป, ปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวขี้ควายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำค่ะะำอยจะทาอะไรกระตอบสักหลังอะไร่นึง เผือใครไปพักไอ้ติ่มก็เอามาช่วยกันได้เนาะเป็นคนครัวคนส่วนของวัดได้ได้พักอะไรดีก็มาขายเข้าครัวขายเข้าครัวได้ไม่ได้ให้เอาไม่ได้ให้ามาฟรีนะไม่ใช่ได้มีเงินมีทองไปเลี้ยงชีวิตไม่ต้องไปทํางานหนักแก่อายุมากแล้วก็ทํางานบเบาเอาพลาทตานะเออทำมาเยอะดีไปของเชื่นด้วยเวลางานท่ากระถินข้าป่า ก็ทำไว้เนอๆอย่างนี้แหละพวกอาเช็ดเท้าพวกกระเป๋าพว ก, กตะกร้าอะไรพวกนี้นะก็ทําเป็นพัดแล้วก็ไอทําตัวหนังสือเขาอะสแกนขเขาเรียกเดี๋ยวนี้เขา อ, อะไรนะสกรีนอะนะทิศปอไปเรียนมาเดี๋ยวจะบอกสกรีนตัวหนังสือมาทําพัดอย่างเงี้ยทําเป็นรูปอย่างเงี้ยนะสกรีนตัวหนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอยาเขียนนำพาอูปถัมภ์ รู้กายรู้ใจรู้ให้มีสติอะนรอยเนี้ยพระธเป็นธรรมะสอนทคนเป็นพัดหลวงพ่อจะเจาตัวอย่างมาให้ให้ใหา่ติมชวนเพื่อนเพื่อนมาทำเอาไว้ของชมรวยถ้ามีเยอะก็คูจีแล้วพรด้วยทำเอาไปแจกจ่ายสมาชิกได้เยอะสมาชิกลลหลายหลายร้อยคน เยติมก็ชวนเพื่อนมาทําะไรนี่ก็เกิดการสร้างกิจกรรมขึ้นมาพัฒนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามุ่งที่จะให้เกิดนา ม, มาธรรมอย่างเดียวมอยู่กับโลกไม่ได้ก็เป็นรูกประธรรมรูกประธรรมในแง่ของการเสื้อผ้าอาหารสถานที่พวกนี้ยมันก็จะมีการพัฒนาร่วมกันไปเราถึงจะอยู่กับโลกเขาได้บางเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลก ทำไงที่จะร่วมอยู่ร่วมกันอยา่างมีตรงกืนเพราะคนมันมีอินทรีย์ไม่เท่ากันมีสติไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันก็อเอาใส่กันพัฒนาไปทีละนิดเลยนิดไปเรื่อย